สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาถึงกฎข้อที่14ครับกฎข้อที่ของ20กฎทองคำกฎข้อที่ส4นั้นมีชื่อว่ากฎแห่งการเกิดผลกฎแห่งการเกิดผลพี่น้องครับพระเจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอญบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่4ครับพระธรรมยอนบทที่15้า ข้อที่1ถึงข้อที่4โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเราเป็นเทวองุลแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้น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 ขะแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเผาชันใดท่านังหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นพี่น้องครับคแนงจะออกผลเองไม่ได้นี่คือความจริงประการแรกนะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความจริงประการแรกนี้ก็คือขะแนงจะออกผลเองไม่ได้เป็นเรื่องที่ ต้องทำความเข้าใจอย่างดีและถูกต้องครับเรามาดูนะครับว่าชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลก็ได้เป็นพยานถึงถ้อยคำนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลนั้นท่านก็ได้เป็นพยานถึงถ้อยคำนี้ท่านได้เขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่7พระธรรมโรมบทที่7ข้อที่18ท่านเขียนที่จะกล่าวถึงชีวิตของท่านเองที่ว่าแท้จริงแล้วความดีไม่มีครับ ในชีวิตของท่านและขณเดกันเจตนาดีแม้ว่าจะมีอยู่แต่ก็ทําออกมาไม่ได้แต่ในทางกลับกันครับความชั่วแม้ไม่อยากทําแม้ ม, มีมีความปรารถนาแต่ก็ยังทําอยู่อาจารย์บารโลคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ช่างน่าสมเพชเรามาฟังกันนะครับว่าท่านเขียนว่าอย่างไรในพระธรรมมบทที่7ข้อที่18จนถึงข้อที่24ครับพระธรรมรม บทที่7ข้อ18ถึงข้อ24ครับโปรดฟังโอชนะของพระเจ้าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนารม ข้าพเจ้ายังทําอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทําดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทําความดีความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้นเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า แข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ท่านได้กล่าวว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ เป็น้องขับประสบการณ์ของท่านอะคาทูตเปาโลในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในการพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้านั้นได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเป็นมาตรฐานของประสบการณ์ของคนทั้งโลกรวมถึงพวกเราครับในการเติบโตในการพัฒนาชีวิตของเราที่เดินไปกับพระเจ้าทุกวันจุดประสงค์สูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนก็คือการที่เราจะต้อง มีชีวิตที่เป็นสาวกสาวกที่มีชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าใครไลค์ใครไลค์ก็คือเป็นสาวกที่เป็นที่มีชีวิตเหมือนพระเยซูพี่น้องครับในขณะที่เราเดินไปในทางนี้เราเองเห็นถึงการต่อสู้ระหว่างร่างกายหนักเนื้อหนังกับจิตวิญญาณนะครับเหมือนกับว่าสองฝั่งนั้นเป็นศัตรูกัน ความอยากที่จะทําตามความปรารถนาดีไซ r อของเนื้อหนังนั้นก็มีมากซึ่งโน้มนําไปสู่การทําบาปการไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติการทําผิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับคนที่บังเกิดใหม่แล้วคนที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาก็มีใจปรารถนาข้างในครับที่อยากจะทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากจะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์อยากจะมีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูแต่ มันเป็นการต่อสู้กันครับทำยากเหลือเกินพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีองค์พระเยซูคริสต์และเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้เคยพระเยซูนั้นผ่านได้เคยผ่านครับขั้นตอนแบบนี้มาก่อนพระองค์ก็ทรงต่อสู้เพื่อจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงต่อสู้พระองค์ทรงคําครนอธิษฐานเพื่อที่พระองค์เองนั้นจะได้อยู่ในหน้าพัฏฐัยของพระเจ้าขณะเดียวกันครับ เนื้อหนังอ่อนแอแต่จิตใจพร้อมแล้วพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นบนแมงเข็นและโพระงได้อธิษฐานอยู่ในสวนเกตสม์มนเนว่าจิตใจพร้อมแล้วแต่ร่างกายยังอ่อนกำลังอยู่เราต้องอธิษฐานครับเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นรับการเสริมเลี่ยงแรงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆวันในขณะเดียวกันครับเราเองนั้นก็จะต้องน้อมนําจิตใจของเราอยู่ภายใต้าการควบคุ ม, มคบังับบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ชีว Him, trials, e ิตของเรานั้นจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับประการแรกของการเกิดผลนั้นเราจะต้องตระหนักรู้ว่าเราเองนั้นเกิดผลเองไม่ได้ครับเราเองนั้นเกิดผลเองไม่ได้เพราะว่าเราเองนั้นอ่อนแอครับเราเองนั้นต่อสู้กับเนื้อหนังของเราเองพี่น้องครับนั่นคือความจริงประการแรกของกฎแห่งการเกิดผลแขนงจะออกผลเองไม่ได้ครับพี่น้อง คะแนนจะออกผลเองไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราต้องถ่อมใจลงพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาองค์พระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตทรงนิรันุภาพสูงสุดทรงพลานุภาพในการที่จะช่วยเหลือเราให้เราเกิดผลมากพี่น้องครับการเกิดผล น, นั้นเป็นนํามพัฒน์ไทยของพระเจ้าครับการเกิดผล น, นั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของลูกๆของพระองค์ทุกคน ไม่มีเว้นครับไม่มีเว้นแต่คนเดียวขอพระเจ้าช่วยเราเสริมกําลังเราในการที่เราจะรู้ความจริงนี้ไม่ใช่สอบอเป็นคนที่เกิดผลมากอย่างเดียวครับไม่ใช่ผู้ที่ดูแลคริดจักรผู้นําคิดจักเกิดผลมากอย่างเดียวฝ่ายเดียวครับไม่ใช่ครับแต่เราทุกคนต้องเกิดผลมากพระเยซู บ, บอกว่าจงเกิดผลนะครับจงเกิดผลมากและเข้าสนิทอยู่ในพระองค์จึงจะเกิดผลมากพี่น้องครับแขนงจะออกผลเอง แขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเทาพี่น้องครับขอพระเจ้าโน้มนำให้เราเชื่อฟังให้เราคอมมิตประนะตัวแล้วก็ให้เราที่จะยอมอยู่ยอมจำนนอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าและภายใต้การท่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปอาเมน